ฉันทะต่อของขยายสู่เมตตาต่อคนความตอนนี้มีแง่ที่โยงไปถึงข้อธรรมสำคัญได้อีกข้อหนึ่งคือเมตตาตลอดไปถึงพระมิหารธรรมข้ออื่นๆด้วยเห็นว่าควรจะนำมาพิจารณาประกอบกันไว้ณนะที่นี้เราจะช่วยให้พลอยเข้าใจความหมายของตัญหาและฉันทะชัดเจนขึ้นด้วย เมตตาเป็นข้อธรรมหรือข้อธรรมะที่รู้จักกันทั่วไปแต่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจอยู่บ้างคำแปลสามัญของเมตตาคือความรักความมีมัยตรีความปรารถนาดีความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์คำแปลนี้ดูก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายแต่ปัญหาเกิดขึ้นในแง่ที่ว่า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 ลักษณะของตัณหาที่สังเกตได้ง่ายซึ่งได้กล่าวแล้วบ่อยๆคือมุ่งจะเสบเทนาและเกี่ยวกับการปกป้องรักษาตัวตนดังนั้นหลักที่จะใช้ตัดสินว่าความรักใดเป็นตัณหาหรือเกิดจากตัณหาหรือไม่ก็ดูว่าเป็นความรักที่ปรารถนาความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นความรักที่ต้องการความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นเพียงเพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับตนจะได้ใช้เสษเวทนาหรือเป็นเงื่อนไขสำหรับรองรับเสริมหรือค้าประกันความมั่นคงถาวรของตนบางคนกล่าวว่าเขารักภรรยารักสามีรักเพื่อนหรือรักคนผู้ใดผู้หนึ่งอย่างมากมายจริงจัง ชีวิตของภริยาเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดซึ่งเขาจะต้องทนุถนอมเอาใจใส่ดังเอาชีวิตของเขาเองเป็นเดิมพันพรันอยู่ต่อมาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหรือมีเหตุการณ์ผันผวนบางอย่างทำให้ภริยาของเขามีร่างกายเป็นต้นอันไม่เอื้ออานวยแก่การที่เขาจะได้เสพสุขเวทนาเท่าที่ปรารถนาหรือสามีหรือเพื่อนของเขาเป็นต้น ไม่อยู่ในฐานะหรือภาวะที่จะเสริมหรือเอื้อแก่ความมั่นคงแห่งตนของเขาได้อีกต่อไปความรักที่เคยมีกลับจางคลายหรือถึงกับสลายลงชีวิตของภริยาหรือสามีหรือเพื่อนเป็นต้นนั้นก็ไม่มีคุณค่าที่เขาจะทนุถนอมใส่ใจที่จะให้เป็นอยู่ดีอีกต่อไปความรักอย่างนี้หาใช่เมตตาไม่เป็นแต่เพียงความรักเจือตันหา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 ที่แสดงออกต่อคนสัตว์มีชื่อเรียกพิเศษว่าเมตตา